การจะมีดวงตาเห็นธรรมต้องทําอย่างไรบ้างวิธีที่จะทําให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็ต้องภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถึงจะทําให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ดวงตาที่จะเห็นธรรมคืออะไรดวงตาที่จะเห็นธรรมก็คือใจนี่เองแต่ตอนนี้ใจไม่เห็นธรรมเพราะใจถูกโมหะอวิชชาปิดกั้นเอาไว้เหมือนกับเวลาที่เราเอาผ้ามาปิดตาเราสมัยเด็กๆมีเล่นอีเทิดกัน เขาจะเอาผ้ามาปิดตาแล้วหมุนเราไปรอบแล้วก็ให้เพื่อนๆหนีไปหลบตามที่ต่างๆแล้วให้เราเปิดตาขึ้นมาแล้วก็ให้ไปวิ่งหาดูว่าอยู่ที่ตรงไหนบ้างอันนี้ก็เวลาที่เราปิดตาร่างกายเราก็จะไม่เห็นอะไรต่างๆ ที่ร่างกายเห็นได้ใจก็เหมือนกันใจก็มีสิ่งต่างๆที่ใจสามารถเห็นได้ถ้าไม่มีอะไรมาปิดกัน้นสิ่งที่ปิดกั้นตาในคือใจก็คือโมหะอวิชชาโมหะแปลว่าความหลงความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกองจากเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่มีว่าไม่มีเช่นนรกสวรรค์ตาพบการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นสิ่งที่มีแต่ถ้าไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะคิดว่าไม่มีคิดว่าตายแล้วสูญ พอเห็นเพียงร่างกายเห็นร่างกายที่ต่อไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายไปเมื่อตายไปก็เอาไปฝังเอาไปเผาก็ยอ่อยสลายกลายเป็นดินกลายเป็นขี้เท่าไปก็เลยคิดว่าตายแล้วศูนย์เนย นี่คือโมหะความหลงอวิชาก็คือความไม่รู้ไม่มีวิชาไม่ได้ศึกษาวิชาที่จากผู้รู้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือพระพุทธเจ้าพระอริยสงสากหรือพระธรรมคาสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เป็นผู้ให้วิชาความรู้ที่จิตที่มีอวิชชาไม่รู้กันอยากจะรู้อยากจะมีวิชาอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมขั้นต้นก็ต้องเข้าหาผู้ที่มีวิชาหาพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรม ร, รมคําสอน ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยรสงสาวตกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านเหล่านี้มีดวงตาเห็นธรรมคือท่านเอาสิ่งที่ปิดบังตาของท่านออกตาในตาทิพย์คือใจใจที่มืดบอด จะหายมืดบอดได้ต่อเมื่อได้มีการเอาสิ่งที่มืดบอดออกจากใจไปสิ่งที่จะทำให้สิ่งที่มืดบอดออกจากใจไปได้ก็คือการภาวนานี่เองจิตตภาวนามีสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา นี่แหละเป็นเครื่องมือที่จะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมกันขึ้นมาการที่จะรู้จากวิธีใช้เครื่องมือคือการภาวนาก็ต้องเรียนจากผู้รู้วิธีภาวนานั่นเองต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าหรือเรียนจากพระธรรมคาสอนในพระไตรปิฎก หรือเรียนจากพระ อ, อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อได้เรียนแล้วก็จะได้รู้วิธีเปิดตาหน่อยเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาวิธีแรกก็คือสมถภาวนาให้ใจสงบทำใจให้สงบ แล้วใจก็จะเห็นโลกทิพย์นะเห็นโลกไตรภพนะเห็นกามาพบเห็นรูปะพบเห็นอรูปะพบเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของใจอาจจะย้อนอดีตไปเห็นอดีตของตนว่าเคยไปเกิดเป็นอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ไปเป็นอะไรมาก่อนไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าการระลึกชาติระลึกได้พอะเราระลึกเมื่อเช้านี้ได้ว่าเราทำอะไรเมื่อวานนี้เราทำอะไรแต่กำลังระลึกของเราตอนนี้มีน้อย เราเลยดะลึกไม่ได้มากพอพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วหรือเมื่อวานนี้เมื่อวานเสื่อนี้ก็เริ่มละลึกไม่ออกแล้วเพราะว่ามันไกลไปกว่าความสามารถที่มีอยู่ในขณะนี้แต่ถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ใจจะมีกำลังระลึกย้อนอดีตไป ได้มากขึ้นมากขึ้นไกลขึ้นไปพระพุทธเจ้านี้ท่านสามารถย้อนระลึกไปได้หลายหมืน่นหลายภพชาติด้วยกันหลายหมืน่นหลายแสนชาติท่านบอกว่าท่านอยากจะรู้ว่าท่านเริ่มต้นที่ตรงไหนอยากจะไป ด, ดูจุดเริ่มต้นของภพชาติแต่ท่านบอกว่านระลึกไปกี่หมืน่นกี่แสนชาติมันก็ยัง ไม่ไม่ถึงต้นเสียทีก็เลยเห็นว่าเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะการระลึกชาติได้นี้มันก็ไม่ได้มาแก้ปัญหาของใจใจมีปัญหาคือใจยังติดอยู่ในตพบอยู่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่การไปละลึกชาติหรือการไปท่องเที่ยวใน พบต่างๆโดยการภาวนานี้ไปนรกไปสวรรค์เป็นการเสียเวลาเพราะว่าไม่ได้มาแก้ปัญหาของใจใจมีปัญหาที่จะต้องแก้ปัญหาของใจก็คือใจเหมือนนักโทษใจติดคุกเป็นนักโทษติดอยู่ในคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิด ของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่าตายเกิดในใจพบในกามาพบในรูปพบในอรูปพบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปกามาพบกันเวียนว่ายในการมาพบกันพสําหรับผู้ที่เสพกามส่วนที่ผู้ที่ไม่เสพกามคือพวกนักบวชพวกที่ บาเพ็ญจิตตะภาวนาเนี่ยศีลศีลสิบศีลสอ้สิพวกนี้ก็จะไปเกิดในรูปภพหรืออารูปภพกันแต่ส่วนใหญ่อย่างพวกเรานี้ที่ยังเสพการามกันอยู่เสพรูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในการามภพที่มีสองซีก ซีกที่เป็นสุขกับซีกที่เป็นทุกข์เนี่ยซีกที่เป็นสุขก็เกิดจากการได้ทําบุญทําทานบุญทานนี้ก็จะส่งให้ไปเกิดในซีกที่เป็นสุขคือซีกของเทวดาส่วนซีก ข, ของทุกข์ก็คือบาปเป็นผู้ส่งไปทําบาปทํากรรมทําเวร ทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ทำบาปด้วยความโลภความรักทำบาปด้วยความชังความโกรธเนี่ยทำบาปด้วยความกลัวก็จะพาให้ไปเกิดในอบายสี่สถานคือไปเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็น นรกไปเกิดในนรกไปอยู่ในนรกนี่คือปัญหาของใจในตอนนี้ใจควรที่จะใช้เวลาในการมาแก้ปัญหานี้ดีกว่าเข้าสมาธิแล้วมุ่งไปสู่การไปท่องเที่ยวในภพต่างๆ เวลาเข้าสมาธิถ้าใจมีพลังพอสามารถไปเที่ยวสวรรค์สามารถไปเที่ยวในอบายในอบายได้สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณที่อยู่ในภพต่างๆได้ดวงวิญญาณที่อยู่ในสวรรค์ก็ติดต่อได้ดวงวิญญาณที่ ที่อยู่ต่ำกว่าก็ติดต่อได้แม้แตด่ดวงวิญญาณของคนที่ยังไม่ตายก็ยังติดต่อได้ยังไปไปรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรได้คิดว่าคนนี้คนนี้กำลังคิดถึงคนนั้นกำลังคิดอยากจะไปที่นั่นอยากจะไปที่นี่คนที่มีพลังจิตคนที่เปิดตาในได้ จะสามารถอ่านวารลจิตของผู้อื่นได้อ่านความคิดของผู้อื่นได้นี่คือเรื่องของดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นตาเนื้อมองเห็นแต่สิ่งที่มีอยู่ในโลกธาตุนี้แต่ไม่สามารถเห็น สิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้อยากจะเห็นลสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์จำเป็นจะต้องเปิดตาในวิธีเปิดตาในก็ต้องเปิดด้วยการภาวนาสมถภาวนาก็ทําให้เห็นตายภพเห็นรูปภพกรรมภพรูปอรูปภพถ้าอยากจะเห็น ภพที่อยู่นอกไตภพคือภพที่อยู่ในระดับของพระอริยเจ้าก็คือต้องไปเจริญวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาจะพาให้จิตได้ไปสัมผัสกับภพบของพระอริยเจ้า พบของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์พระพุทธเจ้านะอยู่ในระดับของวิปัสสนาภาวนาถ้าสมะถะภาวนาก็จะเห็นไปภพบแต่จะไม่เห็นพบของพราะอริยเจ้าต้องใช้วิปัสสนาภาวนา ถึงจะสามารถเห็นภพของพระอริยเจ้าได้นี่แหละคือสิ่งต่างๆที่ดวงตาเห็นธรรมจะเห็นเห็นธรรมที่ตาเนื้อไม่เห็นตาเนื้อเห็นแต่ภาพของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นข้าวของต่างๆเห็นต้นไม้เห็นภูเขา เห็นสถานที่ต่างๆอันนี้เราใช้ตาเนื้อเห็นกันส่วนตาในอยากจะเห็นสวรรค์เห็น أ, นรกเห็นอดีตเนี่ยอันนี้ต้องใช้ตาในถึงจะสามารถเห็นได้หรือแม้แต่อนาคตก็เห็นได้พระพุทธเจ้านี่ เห็นทั้งอดีตเห็นทั้งอนาคตอดีตที่ยาวไกลขนาดที่เป็นกับนี่ยังเห็นได้เห็นว่าในอดีตมีพระพุทธเจ้าที่เคยมาตัดสั้ในโลกนี้แล้วนิพพานจากโลกนี้ไปเออท่านเล่ามีพระพุทธเจ้าที่อยู่ในช่วงเดียวกับที่พระองค์นี้ห้าห้ารูปด้วยกันเอ มีสามสามรูปในอดีตที่ผ่านมาพระองค์เป็นรูปที่สี่แล้วก็รูปที่ห้าที่จะตามมาก็คือพระศรีอ่านหรือพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าบอกหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเดี๋ยวอีกหลายกลับต่อมาก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ มาตัดสรุแล้วก็มาประกาศพระพุทธศาสนาให้กับสัตว์โลกทรงทราบว่าในแต่ทุกยุคทุกสมัยทั้งที่ในอดีตที่ผ่านมานี้จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุกันอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าจำนวนไม่มากและระยะเวลาไม่ถี่นั้นเอง เวลาระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี่ท่านบอกว่าเป็นหลายกลับด้วยกันกลับหนึ่งนี่ก็ไม่รู้ว่ากี่แสนล้านปีอาจจะไม่ใช่มาเกิดบนโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้อาจจะมีอายุไม่ถึงนานถึงขนาดนั้นแต่ก็มีโลกใบอื่น ที่เหมือนกับโลกนี้ที่มีดินน้ำลมไฟมีต้นไม้มีภูเขามีสัตว์มีมนุษย์อยู่กันท่านก็จะไปเกิดในโลกนั้นแล้วก็ตัดสะรู้แล้วก็ประกาศพระศาสนามีสาวกมามีผู้มาสนใจศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม มาเผยแผ่ธรรมะทำให้ศาสนาพุทธมีอายุยาวนานศาสนาพุทธแต่ละยุคก็มีอายุย า, น า, น า, นยาวนานไม่เท่ากันของพระพุทธเจ้าบางรูปนี้ท่านบอกว่าเป็นหมื่นปีหลายหมื่นปีแต่สำหรับของพระองค์เนี่ยเป็นประมาณห้าพันปีก็จะหมดอายุ ี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ระลึกได้ได้ใช้ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นอดีตเห็นอนาคตที่จะตามมาต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรอนาคตนี่ทรงเห็นว่าโลกของเรานี้ศีลธรรมจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆคู่ก่อนจะอยู่ห่างออกไกลจากวัดไปไม่เข้าวัดกัน เราก็เริ่มเห็นนะถ้าเราเปรียบเทียบยุค ข, ของปูาายาย่ย่าตาใหญยุคของปู่ย่าตา ย, ายหญ่เลยปู่ทวดนี่คนเข้าวัดเข้าวากันเยอะมีวัดเต็มไปหมดเมืองไทยเรานี่มีวัดเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีวัดกันสร้างวัดกันใหม่เท่าไหร่คนเข้าวัดก็น้อยวัดเก่าก็มีวัดร้างกันเยอะ ไม่มีคนบวชกันไม่มีคนไปอยู่กันจิตใจคนเริ่มห่างเหินจากศีลธรรมเพราะไปพัฒนาทางด้านวัตถุกันไปพัฒนาเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสกันเดี๋ยวนี้เจริญทางด้านวัตถุกินอยู่กันสบายเอาความสุขทางกามกัน แทนที่จะเอาความสุขทางศีลธรรมก็เลยห่างเหินศีลธรรมกันเพราะจะต้องใช้เวลาให้กับการไปสร้างความสุขทางการมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผธพะจึงส่งลูกไปโรงเรียนแทนที่จะส่งไปวัดสมัยก่อนนี่ไปเรียนที่วัดกัน กวาดกระชสอนทั้งวิธีทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็สอนเรื่องวิธีทำบุญเรื่องศีลธรรมเรื่องการภาวนาเพื่อให้เห็น เ, เพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมแต่ในยุคหลังนี้มีการแยกโรงเรียนออกจากวัดไปให้เรียนทางโลกล้วนๆอย่างเดียว ให้เรียนทางด้านวัตถุให้เรียนทางด้านรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเนีที่ส่งลูกไปเรียนนี้เรียนวิชาเพื่อที่จะเอามาสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่มีวิชาที่จะมาสร้างความสุขทางใจเลยวิชาความสุขทางใจนี้ถูกตัดออกไปเรื่อยๆสมัยเป็นเด็กๆเรายังมีวิชาศีลธรรมให้เรียนอยู่ สมัยนี้รู้สึกไม่มีนะไปรวมอยู่กับสังคมหรืออะไรแล้วก็ไม่เน้นศาสนาด้วยเพราะมีหลายศาสนาถ้าเน้นศาสนาพูดก็หาว่าลำเอียงไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะต้องมีคนอื่นที่เขานับศันับถือศาสนาอื่นก็ต้องเน้นศาสนาอื่นเข้าไปในวิชานั้นด้วย ก็เลยไม่ได้เรียนรู้เรื่องทางพุทธศาสนากันก็เลยทำให้ตามืดบอดกันตาในมืดบอดไม่มีดวงตาเห็นธรรมกันไม่รู้ว่าเรามีดวงตาอีกดวงหนึ่งคือใจที่เราสามารถเปิดให้มันให้เราเห็นอะไรต่างๆได้อย่างมากมายเห็นตายพบเห็นการเวียนว่ายตายเกิด หาเห็นการหลุดออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถามเด็กสมัยนี้ดูถามเรื่องาศาสนาไม่รู้เรื่องเลยวันนี้วันกน่อนวันพระไม่รู้วันนี้กี่ค่ําไม่รู้เดีย๋ยวนี้เราพยายามสอนเด็กใจบานถามมันวันนี้กี่ค่ํามันก็ถามมาได้ตอบไม่ได้เดี๋ยววันต่อไปถามอีกก็เลยจดจํา เพราะเดี๋ยวจะต้องถูกถามอีกก็เลยทำให้เด็กได้อย่างน้อยได้รู้จักวันว่าวันขั้มวันแรมเป็นอย่างไรวันพระวันโกนเป็นอย่างไรเป็นอูบายให้เขาได้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะสมัยก่อนเราใช้วันขึ้นแรมเป็นวันนับวันพระวันโกน วันโกนวันพระมันมีไว้ทำไมก็มีให้เราได้เข้าวัดกันนั่นเองให้เราหยุดทำงานทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราจะได้ไปศึกษาจากพระสงฆอง์เจ้าเพื่อจะได้รู้วิธีเปิดตาในจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เห็นกันเห็นโลกทิพย์กัน มีดวงตาเห็นธรรมกันและดีไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดศรัทธาอยากจะบวชอยากจะปฏิบัติอยากจะเปิดดวงตาอย่างจริงจังๆขึ้นมาเพราะถ้าลองได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธศาสนาแนละ้วมันจะมีความชื่นชมยินดีเพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนา เสนอให้กับพวกเรากับผู้ที่ได้ศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมหัศจรรย์ขนาดไหนเช่นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเช่นปีระมิดกำแพงเมืองจีน หรือสิ่งที่สร้างใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยตึกสูงร้อยสองร้อยชั้นสิ่งนี้ถ้าดูแล้วก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นน่าตื่นเต้นใหญ่โตแต่ความรู้สึกที่ได้รับจากมันนี้มันไม่มากความสุขที่ได้จากการได้สัมผสัสเห็นมันนี้ไม่มากอาจจะเป็นของแปลกของใหม่ของใหญ่ของโต ของที่ไม่ธรรมดาแต่มันก็ไม่ได้ให้ความสุขอะไรมากมายนะไม่เหมือนกับได้การได้ใส่ได้สัมผัสธรรมที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยที่เกิดจากการทำใจให้สงบอันนี้จะมีความรู้สึกที่ไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้ ความสุขที่ได้จากความสงบในไม่มีความสุขอะไรในโลกนี้สามารถมาเปรียบได้เลยเรียกว่าลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเพียงแต่ได้ยิดก็จะทําให้เกิดศรัทธาขึ้นมานะ ว, ว่าโอ้มีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นไม่ว่าจะมีเงินทองกองเท่าภูเขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ตาม ความสุขที่ได้จากการเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นมหาจั ก, กรพรรดิหรือเป็นผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองต่างๆความสุขเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการสัมผัสกับรสแห่งธรรมเคอรสของความสงบนี้จะเป็นเหมือนฟ้ากับดินเหมือนก้อนเพชรกับก้อนหิน นอนต้นได้ก้อนหินมาก็คิดว่าโอ้ยมีราคามากพอไปได้ก้อนเพชรมาอีกทีถึงจะรู้ว่าราคาต่างกันเหมือนผ้ากับดินนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เกิดมีศรัทธาอยากจะเข้าหาศาสนาก็คือการได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังเรื่องราวต่างๆของศาสนา ว่าศาสนานี้มีของล้ำค่าอยู่รอพวกเราอยู่ที่พวกเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้จะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนี้เป็นได้คนเดียวใช่ไมแต่จะเป็นผู้ที่สัมผัสกับรถแห่งธรรมี้ไม่มีจำนวนจำกัดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสัมผัสกับรถแห่งธรรมได้ทุกคนนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ ความมหัศจรรย์ของศาสนาของรถแห่งธรรมที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเปรียบเทียบได้ถ้าไม่ได้ศึกษาก็เลยจะไม่รู้จักกันเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องของศาสนารู้แต่เรื่องเกมรู้แต่เรื่องเที่ยวเรื่องหนังหนังอาทิตย์นี้หนังเรื่องไหนดีหนังเรื่องไหนดัง โดนตีวงไหนกำลังดังที่กินที่เล่นที่ไหนกำลังฮิตก็อยากจะไปที่เหล่านั้นกันไม่รู้ว่าไปวัดไปทาอะไรกันไปให้เสียเวลาไปก็วัดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สั่งไม่ได้สอนไม่ได้พูดไม่ได้บอกเรื่องของศาสนา สอนก็สอนเรื่องที่ฟังแล้วก็งงหรือพิสูจน์ไม่ได้จับต้องไม่ได้เพราะคนสอนเองก็ยังไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนั่นเองก็เลยไม่สามารถมาเอารถแห่งธรรมมาเล่าให้คนที่มาเรียนได้สอนแต่เรื่องของเปลือกของกะพี้ของธรรมแต่เรื่องของแก่นของเนื้อของธรรมนี่ สอนไม่ได้เพราะยังเข้าไม่ถึงนั่นเองยังเข้าไม่ถึงรถแห่งธรรมเข้าได้แต่เปลือกของธรรมเช่นทําบุญทําทานเนี่ยเนี่ยจึงชวนกันทําบุญทําทานกันทั่วประเทศเลยรแบนี่ยกระเถิณเดือนเนี้ยว โ, โหยไม่รู้ไปทอดกันกี่วัดกันก็เป็นเรื่องของเปลือกทั้งนั้ น, เ, นเป็นเรื่องของเปลือกของธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของเนื้อของธรรม ไม่มีชวนไปภาวนากันเลยไม่มีชวนกันไปอยู่วัดสามวันสามคืนไปภาวนากันมีแต่เฮโลกันไปวัดนนถวายสังฆทานเสร็จไอ้ถวายกระถินเสร็จก็เฮโลไปอีกวัดหนึ่งนับเงินนับทองว่าได้กี่แสนกี่ล้านกันเอาไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สวยใหญ่ใหญ่โตพิสดารสวยงาม อันนั้นเป็นเปลือกของธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเนื้อของธรรมนะเพราะคนสอนก็รู้แต่เปลือกของธรรมก็เลยสอนแต่เรื่องเปลือกของธรรมเรื่องเนื้อของธรมรมลดแห่งธรรมที่ชนะลถทางปวงนี้ไม่รู้กันนี่พูดตามความจริงเนี่ยดูได้เนี่ยดูเข้าไปเปิดในเสือดูเนี่ย มีแต่กระถินเท่านั้นเลยงานกระถิน ว, น, น, ะถนวัดนั่นกระถินวัดนี้ไม่มีงานภาวนากันเลย <c oughs> ไม่มีการไปเปิดตากันไม่มีการไปเปิดดวงตาเห็นธรรมกันเอาแต่เปลือกกันเอาไปสร้างโบสถ์สวยๆ ง, งามๆสร้างเจดีย์สร้างเมนสร้างห้องน้ำ สารา้สางศาลาสรา้างถาวรวัตถุต่างๆอันนี้เป็นเปลือกไม่ใช่เป็นเนื้อมันเลยไม่มันสู้สู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เห็นไหมสร้างเจดีย์ใหญ่โตขนาดไหนก็สู้ตึกหอไอเฟลของฝรั่งไม่ได้ฮสู้ตึกของดูไบไม่ได้ หรือว่ า, าต่อไปอาจจะมีใครคิดสร้างเกดีสูงขนาดนั้นก็ไม่รู้นะพอเดี๋ยวนี้รู้สึกพระพุทธรูปจะใหญ่ขึ้นโตขึ้นบางวันนี้สร้างพระพุทธรูปองค์เบลลมเลยพระพุทธรูปบ้างรูปของหลวงพ่อบางหลวงปู่บางบางวันนี้สร้างใหญ่โตขึ้นมาอาจจะอยากจะแข่งกับอความยิ่งใหญ่ของทางโลก ต่อไปอาจจะมีเจดีย์สูงเท่ากับตึกร้อยชั้นก็มีตอนนี้ขนาดตึกสิบชั้นมีแล้วเนี่ยเจดีย์ที่สูงขนาดตึกสิบชั้นมีต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นยี่สิบชั้นสามสิบชั้นขึ้นไปอันนี้ก็เป็นแข่งขันทางเบิกเท่านั้นเองไม่ได้แข่งขันทางเนื้อของธรรม แข่งขันทางเนื้อทางธรรมต้องผลิตพระอรหันกันเนียวัดนี้ผลิตพระอรหันร้อยลูกวัดนี้ผลิตพระอรหันห้ า, หาร้อยลูกมีใบประกาศมอบให้ <c oughs> ว่าได้มาปฏิบัติวันนี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันแล้วแต่อยากจะดูใบประกาศจริงต้องรอไปดูตอนตายอันนั้นถึงจะรู้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม ถ้าตายไปไม่เป็นพระธาตุนี่ก็ไม่น่าจะเป็นของจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นบางรูปอาจจะไม่มีเวลาตายเร็วพอบรรลุ ป, ปั๊บก็ตายกระดูกก็อาจจะไม่เป็นพระธาตุขึ้นมาเพราะว่าพระธาตุนี่ก็จากการจิตที่จิตบริสุทธิ์จิตที่บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์แล้วยังไม่ตาย อยู่ไปนานๆอยู่ไปหลายสิบปีอย่างพระพุทธเจ้านะอยู่สี่สิบห้าปีหลังจากตัดสัตวเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์อยู่ไปถึงสี่สิบห้าปีจิตที่อยู่กับร่างกายก็เลยฟอกร่างกายพอกกระดูกให้เกิ้กายเป็นพระธาตุขึ้นมาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพระอาหารหันต์วันนี้แล้วตายพรุ่งนี้ ในนี้ก็จะไม่มีเวลาหรือวันตายวันเดียวกันในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องของคนที่บรรลุธรรมแล้วก็ตายในวันเดียวกันคนที่ไปถามพระพุทธเจ้าตอนที่บินถบาทอยากให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเขาก็ขอโปรดให้พูดสั้นๆก็แล้วกันคำสองคำก็อย่างดี พระพุทธเจ้าก็พูดสั้นๆเห็นอะไรก็สักแตว่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแตว่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแตว่ว่ารู้พูดแค่นี้เขาก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาแล้วเขาก็เลยศรัทธาอยากจะบวชขอลาไปเตรียมบริขารมาบวชระหว่างทางก็ถูกกระถิงหรือหัวขวิดตาย พอพระพุทธเจ้าทราบข่าวก็บอกว่าอหลังจากที่ทําศพชาปนกิจแล้วก็ให้เก็บกระดูกไว้ในสถูปในเจดีการที่เอากระดูกของคนไปเก็บไว้ในเจดีนี้มีอยู่ห้าเหตุผลด้วยกันคือต้องเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระประเจกับ พ, พุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระมหาจักรพรรดิเนี่ย สี่สี่อย่างด้วยกันไม่ใช่ห้าอย่างสมัยก่อนเขาจะสร้างสตูเพื่อบรรจุกระดูกของคนที่มหัศจรรย์นั่นเองพระพุทธเจ้าพระประเจกับพะพุทธเจ้าพระอาหารหันต์พระมหาจากักรพรรดินี่เป็นบุคคลที่วิเศษเหนือกับคนธรรมดาทั่วไปคนจะสร้างสตูไว้ไว้จจลึกให้อนุชนุ่นหลังได้ศึกษา ได้เรียนรู้ถึงความวิเศษของคนบางคนเนี่ยอันนี้กระดูกก็คงจะไม่เป็นพระธาตุเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะฟอกธาตุด้วยจิตที่บ่อยสุดเนี่ยแต่ถ้าบรรลุแล้วอยู่ไปนานสี่สิบปีห้าสิบปีเนี่ยพอตายไปนี่เผาเสร็จเนี่ยกระดูกบางส่วนก็จะเห็นเป็นพระธาตุขึ้นมาเลย นี่แหะใบประกาศที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงไม่จําเป็นที่จะต้องมาเขียนใบประกาศไม่ต้องให้ใครรับรองกันผู้ปฏิบัตินี่แหละเป็นผู้รับรองตัวเองเหมือนคนกินข้าวนี่ <c oughs> ไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าฉันกินอิ่มหรือ ย, ยังใช่ไหมเวลาเรากินข้าวนี่เคยถามไหมผมอิ่มหรือ ย, ยังผมควรจะกินต่อหรือไม่ควรจะกินต่อ คนกินรู้ว่าอิ่มหรือไม่อิ่มควรจะกินต่อหรือไม่กินต่อผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันจะรู้ว่าตนเองได้สำเร็จหรื อ, อยังได้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจหมดสิ้นหรื อ, อยังถ้ายังไม่หมดก็ต้องทาต่อไปกาจัดต่อไปให้มันหมดเรียกว่าสันติโก ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นสันติโกไม่ต้องไปถามใครเรื่องผลนี่ไม่ต้องถามใครต้องถามเรื่องเหตุเพราะเราไม่รู้เหตุที่จะทำให้เกิดผลเนี่เช่นจะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมทำอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปถามคนที่มีดวงตาเห็นธรรมคนที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พอถามแล้วท่านก็จะบอกวิธีไปทำอพอไปทำแล้วเดี๋ยวก็มีดวงตาเห็นทาขึ้นมาเห็นแล้วจะไปถามทาไมว่าเห็นเห็นหรือไม่เห็นใช่ไหเหมือนเหมือนเราไม่เคยไปสถานที่หนึ่งก็ถามคนเขาว่าวิธีไปสถานที่นั้นเป็นอย่างไรไปอย่างไรพอเราไปถึงแล้วเราก็ต้องไปถามเขาเปล่าเป็นสถานที่นี้หรือเปล่ามันก็ใช่เพราะเรา เคยได้ยินได้ฟังว่าสถานที่นี้มีลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้พอเราเดินทางไปถึงเราก็รู้ว่าถึงแล้วเหมือนมาที่นี่ตอนต้นถ้าไม่เคยมาก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็วาดภาพนึกไปต่างๆนาะนาะแต่พอมาถึงแล้วถึงจะเห็นเห็นว่าเป็นอย่างไรเห็นแล้วก็ไม่ไปถามว่าที่นี่เป็นอย่างไรใช่หไหมไม่ต้องไปถามคนอื่นนะ พอเห็นกับตาของตนเองนี่แหละการมีดวงตาเห็นธรรมก็เป็นลักษณะนั้นเป็นการเห็นโดยที่ไม่ต้องไปถามใครจิตสงบแล้วนี่ไม่ต้องถามใครว่าสงบเป็นอย่างไรมีความสุขอย่างไรมันรู้อยู่แก่ใจของผู้ปฏิบัติเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมเราต้องมา ศึกษาวิธีเปิดวิธีสร้างดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาวิธีที่จะสร้างดวงตาให้มีให้เห็นธรรมต่างๆที่เรายังไม่เห็นที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้เห็น<ม>เช่นการเวียนไห้าตายเกิดในสังสารวัฏในตายพบว่ากามภพบเป็นอย่างไรรูปพบเป็นอย่างไรอารมปภพบเป็นอย่างไร เทวดาเป็นอย่างไรเปรดเป็นอย่างไรเนี่ยนาลกเป็นอย่างไรอสูรลกายเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าปฏิบัติไปมีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะรู้จะรู้สัตว์ชนิดต่างๆว่าเป็นอย่างไรเียจะรู้ว่าเปรตทุกข์ด้วยอะไรทุกข์ด้วยความหิวทุกข์ด้วยความโลภอสูรลกายทุกข์ด้วยอะไรทุกข์ด้วยความกลัว ลรกทุกด้วยอะไรทุกด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเนี่ยจองเวรจองกรรมสุขของเทวดาสุขอย่างไรสุขด้วยการให้ด้วยการสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเนี่ยมันจะเห็นไม่มีอะไรมาปิดกัารทำของพระพุทธเจ้าได้ สิ่งที่ปิดกั้นตอนนี้ก็คือโมหะอาวิชชาเท่านั้นเองโมหะอาวิชชานี้เราก็แก้ได้แก้ด้วยได้ด้วยการเข้าหาผู้ที่ไม่มีโมหะอาวิชชานั่นเองผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมอยู่กับบัณฑิตอยู่กับผู้ฉลาดผู้รู้ศึกษาจากผู้รู้ผู้ฉลาดตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ศึกษาจากตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคำสอนที่มีจะลึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระอริยสงสาวกผู้มีดวงตาเห็นธรรมศึกษาจากท่านท่านก็จะสอนท่านก็จะบอกวิธีที่จะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาท่านก็สอนว่าต้องมีเวลาต้องมีเวลาไปไป ไปปฏิบัติเนี่ยไปภาวนาถ้ายังมัวหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองอยู่ก็จะไม่มีเวลาไปภาวนาต้องหยุดการหาเงินหาทองหยุดการใช้เงินใช้ทองถ้ายังติดกับการใช้เงินใช้ทองอยังใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขอยู่ก็ต้องไปทำงานหาเงินหาทองอยู่เรื่อย ก็จะไม่มีเวลาที่ไปปฏิบัติภาวนานั้นเองไปรักษาศีลไปภาวนาได้เบื้องต้นถ้ายังหาเงินอยู่ก็ต้องลดการหาเงินให้น้อยลงวิธีที่จะลดการหาเงินให้น้อยลงก็คือใช้เงินให้น้อยลงนั่นเองอใช้กับสิ่งที่จําเป็นต้องใช้คือปัจจัยสี่ อาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วก็ใช้แบบสมถะคือมักน้อยสันโดษอย่าใช้แบบฟุ่มเฟือยอย่าใช้กับของหรูหราไม่จําเป็นเสื้อผ้าไม่ต้องหรูหราไม่ต้องมีติดพลอยติดอะไรประดับเครื่องประดับต่างๆให้เอาเสื้อผ้าเรียบง่ายไว้ปกปิดนั่งกายก็พอ ต้องการรักษาร่างกายไนมะ่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศหนาวเย็นหรือจากแมาลางสัตว์กัดต่อยต่างๆอาหารก็อาหารธรรมดาไม่ต้องอาหารพิสดารที่เขาขายตามโรงแรมตามพัตดาคารอาหารซื้อมาทํากินเองได้ก็จะถูกที่สุดนะเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าแรง ถ้าไปซื้ออาหารสําเร็จก็นอกจากค่าอาหารแลยังต้องค่าเสียค่าแรงของคนทําอาหารอีกแล้วถ้าไปกินในร้านพิเศษมันก็ต้องเสียค่าเสิร์ฟอีกคนมาเสิร์ฟอีกเสียค่าโต๊ะค่าเก้าอี้ค่าเครื่องปรับอากาศเขาบวกเข้าไปในอาหารนั้นทั้งนั้นแหะแต่ถ้ากินข้างถนนนี่มันก็ มันก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นมากถ้าทำเองก็ยิ่งไม่มีเสียค่าแรงซื้อผักซื้ออะไรมาต้มมาผัดมากินอย่างนี้ก็จะไม่ต้องใช้เงินมากเมื่อไม่ใช้เงินมากก็ไม่ต้องหาเงินมากนั่นเองเมื่อไม่หาเงินมากก็ไม่ต้องใช้เวลาไปหาเงินมากก็มีเวลาเหลือเฟือ มีเวลาเหลือที่จะไปศึกษาวิธีปฏิบัติภาวนาเพื่อสร้างดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพอได้เรียนรู้วิธีแล้วก็ไปปฏิบัติเนีไปอยู่ที่สงบเพราะการปฏิบัติการจะเปิดดวงตาเห็นธรรมได้นี่ต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้เปิดตาใน เหมือนกับเวลาดูหนังในโรงภาพยนตร์นี่เขาต้องปิดไฟถึงจะฉายหนังได้ถ้าเปิดไฟไฟสว่างมันมองจอหนังมองไม่ชัดเนยมันมีแสงมามาแข่งมามาแย่งแสงบนจอแต่ถ้าพอปิดไฟในโรงนี้มืดสนิทนี่พอเปิดจะพอใช้ฉายภาพยนตร์ขึ้นไปบนจอมันก็เห็นชัดเลย อันนี้ก็เหมือนกันการจะมีการจะเปิดตาในต้องปิดตานอกต้องปิดไฟของของข้างนอกก่อนปิดรูปเสียงกลิ่นรสปิดตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการสำรวมนี่เรียกว่าสำรวมสำรวมในรูปตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าศีลสังวรศีล ส, สังวรก็คือศีลแปดนี่ย ไม่ไเอาไปไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นศีลก็สามก็เปลี่ยนเป็นไม่ร่วมหลับนอนกับคนอื่นศีลก็สามของศีลห้าถ้าถือศีลห้ายางร่วมหลับนอนกับคู่ครองได้แต่ถ้าจะถือศีลแปดเพื่อที่จะไปภาวนาก็ต้องไม่ ไม่ร่วมหลับนอนกันไม่ใช้ตาหูจมูกนิ้งกายไว้เพื่อกับการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่ใช้ตาหูจมูกนิ้งกายกับการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายรับประทานเพียงครึ่งวันก็พอหลังจากเที่ยงนี้ก็พอเพียงต่อการให้อาหารกับร่างกายแล้วไม่จําเป็นจะต้องกินมื้อบ่ายมื้อเย็นมื้อค่ํำ เอาเวลาที่จะไปกินนี้มาเปิดตาในกันปิดตานอกปิดตาหูจมูกเลิ้นกายของข้างนอกแล้วก็ไม่ไปไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆลงบ่อหอรถสุขสถ า, านที่ท่องเที่ยวงานกินงานดื่มงานเลี้ยงต่างๆไม่เสียไม่ไม่เสริมสวยความงามทางร่างกาย ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ไม่ไม่เอื้อต่อการเปิดตาในแต่เป็นการกีดขวางการเปิดตาในทามามม่แต่คอยส่องกระจกดูหน้าดูตาทาคิ้วทาปากทำเล็บทำขนทำผมทำอะไรต่างๆเสื้อผ้าอาภรณ์ต้องสรรหาเสื้อผ้าแปลกแปกใหม่ๆมาใสอันนี้มันก็จะเอาเวลาของการภาวนาไปหมด พระพุทธเจ้าถึงบอกให้ต้องมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าศีลสังวรสังวรคือไม่ไม่ไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผธตพะเพราะจะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาเปิดตาในมาสร้างดวงตาเห็นธรรมนะพอรักษาศีลแปดได้แล้ว ก็จะมีเวลาว่างเวเวลาเยอะขั้นต้นก็ทำงานให้น้อยหลงใช้เงินให้น้อยหลงจะได้มีเวลาไปภาวนาพอจะไปภาวนาจริงๆก็ต้องห้ามไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกิจลดจะได้มีเวลาจริงๆเอาไปให้กับการภาวนาได้พอมีเวลาแล้วทีนี้ขั้นต่อไปก็ให้ไปเจริญสติ แล้วการกินก็ต้องกินพอประมาณอย่ากินมากเกินไปถึงแม้จะกินแค่เที่ยงวันถ้ากินมากมันก็เป็นนิวร์เป็นอุปสรรคได้กินมากก็หนังท้องเต็มหนังตาก็จะหย่อนก็จะขี้เกียจเดินโยงกลมก็ก้าวไม่ออกนั่งสมาธิก็สับประงกเห็นต้องกินน้อยกินอย่าให้มันอิ่มกินพอให้มัน หายหิวะวิธกีกินสองแบบกินแบบให้มันหายหิวกับกินให้มันอิ่มนี่ต่างกันนะถ้ากินให้หายหิวนี่พอกินไปสักพักรู้สึกไม่หิวแล้วก็หยุดได้นะ้ยังไม่อิ่มถ้ากินให้อิ่มนี่ต้องกินเข้าไปอีกเท่าหนึ่งถึงจะอิ่มนะพออีกเท่าหนึ่งมันก็เลยทําให้ท้องมันตึงขึ้นมันก็เลยทําให้ตามันหย่อน ถ้าจะกินแบบผู้ปฏิบัตินี่กินเพื่อดับความหิวไม่ได้กินเพื่อให้อิ่มน้ำสารานใจเพราะอิ่มน้ำสำาราญใจแล้วมันขั้นต่อไปก็อยากจะนอนใช่ไหมเรามีความสุขจากการกินแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะมีความสุขจากการนอนอสุขจากกินแล้วก็ไปสุขนอนต่ อ, อก็จะไปภาวนาไม่ได้ไม่มีกาลัง อางนพรุทธเจ้าสอนว่านอกจากการสำรวมตาหูจมูกนิ้นกายแล้วขั้นต่อไปก็ต้องอสำรวมต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายรับประทานเพื่อดับความหิวอย่าไปรับประทานเพื่อมันอิ่มเพราะความอิ่มนี้มันไม่รู้เท่าไหร่มันถึงจะอิ่มใช่ไหม ขนาดกีด่ชามถึงจะอิ่มเดี่ยวสองชามก็อิ่มสามชามก็อิ่มสี่ชามก็อิ่มเนี่ยถ้าไปกินของถูกปากก็เดียวมันก็ล่อไปสักสี่ชามนะงั้นเอากินเพื่อดับความหิวเดียว่าดับความหิวบางทีชามเดียวก็พอเออ่ะไม่หิวแล้วกินแค่นี้พอแล้วเทนี้ก็จะได้ตัวเบาถ้ารู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร อาหารการรับประทานอาหารก็จะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นอุปสรรคเนี่ยคนที่ถามปัญหาก็ามาบ่อยๆนี่มักจะเจอปัญหานีนน้นั่งแล้วก็หาวสับประหนะง่วงนอนเดินจงกคมก็ง่วงนั่งก็ง่วงนะเพราะกินมากเกินไปเพราะกินแบบอิ่มอย่าไปกินแบบอิ่มกินแบบให้มันหายหิวก็พอนะนี่คือวิธี ที่จะมาทําให้เรามาเปิดตาในากันอันนี้เป็นเพียงงานงานเบื้องต้นนะไม่ใช่ยังตัวไม่ใช่ตัวงานอันนี้เป็นเพียงเตรียมสถานที่ให้ให้ให้ให้พร้อมกับการภาวนาคือกาจัดอุปสรรคต่างๆที่จะขวางการภาวนาพอกาจัดอุปสรรคเหล่านี้ได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องเริ่มภาวนา การภาวนาจุดเริ่มต้นก็คือการเจริญสตินี่เองต้องมีสติถึงจะสามารถควบคุมใจให้สงบได้ถ้าไม่มีสติเดินไปนั่งไปใจลอยคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีวันสงบนั่งก็ไม่สงบนั่งก็คิดเรื่อยเปื่อยเดินก็คิดเรื่อยเปื่อยไปอดีตไปอนาคตอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องให้มันอยู่ปัจจุบัน ถ้าอยู่ปัจจุบันมันก็จะหยุดคิดมันก็จะไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนอาคตได้ถ้ามันอยู่ในปัจจุบันเห็นวิธีที่จะทำให้ใจยอยู่ปัจจุบันก็ต้องใช้สติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดต่างๆถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างสติกันขึ้นมาก่อน การสร้างสติก็ต้องใช้กรรมาฐานเป็นเครื่องมือกรรมาฐานคืออารมณ์ที่จะผูกใจให้อยู่ในปัจจุบันผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆกรรมาฐานมีสี่สิบส่วนใหญ่เราจะใช้อนุสติกันอนุสติสิบเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติ เช่นเวลาเราทำวัดเช้าวัดเย็นไหว้พระสวมดมนต์นี้เรากำลังเจริญอนุสติกันพุทธานุสติส่วสวบทพุทธคุณก็พุทธานุสติส่วนบทธรรมคุณก็ธรมมานุสติส่วนบทสังฆคุณก็สังฆานุสติช่วงที่สวดเราก็จะไปนั่งคิดถึงขนมนมเนยไม่ได้คิดถึงข้าวเย็นไม่ได้มันก็จะไม่หิว ถ้าไปคิดเดี๋ยวมันก็หิวนั่งสมาธิก็ฟุ้งซ่านนั่งไม่สงบเพราะคิดแต่ขนมคิดแต่ข้าวฉะนั้นต้องมีสติมาคอยควบคุมความคิดวิธีที่มีสติก็ต้องมีชช้ต้องใช้กรรมาฐานเป็นตัวผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพุทธคุณแบบย่อก็คือพุทโธพุทโธไปถ้าอยู่คนเดียวปฏิบัติ ไม่ต้องมานั่งต่อหน้าพระพุทธรูปมาสวดบทพระพุทธคุณก็กได้เดินจงกรมนั่งสมาธิธไรรมะลายใบกับพุธโธพุทธโธไปหรือถ้าอยากจะ <c oughs> ใช้อนุสติแบบพิสดารก็สวดบทพุทธคุณไปอิติปิโสภักควาอรหังสัมมาสัมพุธโธไปต้องฝึกสติเจรนินสติแล้วก็จะสามารถควบคุมความคิดต่างๆได้ เมื่อครอบกลุ่มได้จิตก็จะสงบจิตก็จะสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงคือนัตติสันติพลังสุขขงังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนะพอได้สัมผัสกับรสของความสงบแล้วทีนี้จะมีกำลังใจจกขยันภาวนา และอยากจะทำให้ความสงบที่เป็นสงบแบบชั่วคราวนี้กลายเป็นความสงบแบบถาวรต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาพอจิตจะเริ่มฟุ้งเริ่มเริ่มกระเพื่มเริ่มไม่สงบก็ค้นหาเหตุผล พระพุทธเจ้าบอกเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความอยากต่างๆก็ต้องหยุดความอยากวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการไปทำตามความอยากจะพาให้ไปเจอความไม่สงบเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาเวลาได้มาก็ดีใจตื่นเตนะ้นเวลาเสียไปก็เสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้ ใจก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริงมีความสุขประเดียวประเดาวความสุขตอนที่ได้มาและเวลาเสียไปก็ต้องมาเสียอกเสียใจร้อ ง, ห, องห่มร้องไห้พอเห็นความทุกข์ที่จะตามมาก็จะหยุดความอยากได้กว่ากำลังไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขต้องเห็นสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการว่าเป็นตรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอเห็นเป็นตายรักก็ไม่อยากจะได้ก็กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่าใจก็จะกลับมาสงบเหมือนเดิมพอความอยากมันหายไปุสงบตัวลงไปก็จะได้ความอยากอย่างถาวรต่อไปเพราะต่อไปถ้าคอยกําจัดความอยากที่โผล่มาเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมดหายไปหมดทีนี้ก็ไม่มีอะไรมาทําลายความสงบ ที่ได้จากการทำสมาธิด้วยสติใจก็จะสงบอย่างถาวรใจก็จะมีดวงตาเห็นธรรมสามารถเห็นโลกทิพย์เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้เห็นระดับของพระอริยบุคคลเห็นโลกทิพย์ของพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีและพาาาระอรหันต์ตามลำดับต่อไป และเห็นแบบที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปด้วยเพราะได้หลุดออกจากวงจรของไตพบแล้วพหลุดออกจากแรงดึงดูดของไตพบตัวที่ดึงดูดใตให้จิตติดอยู่กับไตพบก็คือความอยากทั้งสามนี่เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส k าม m a ตันหาความอยากมีอยากเป็นภวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตันหา ที่ได้ถูกกำจัดไปด้วยปัญญาคือไตลรักเมื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไต่รักก็จะหยุดไม่ทำตามพอไม่ทำตามมันก็จะหมดกำลังไปในที่สุดใจก็จะไปอยู่ในที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกคือพระนิพพานนี่พระนิพพานก็คือใจนี่แหละที่สะอาดบริสุทธ ที่ไม่มีความโลภความอยากที่จะดึงให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือขั้นตอนของการเปิดตาในให้มีดวงตาเห็นธรรมต้องปิดตานอกปิดตาหูจมูกืินกายของร่างกายแล้วมาเปิดตาหูมาเปิดตาหูจมูกืินกายของใจก็จะเห็นโลกทิพย์เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เห็นมาก่อน นี่แหละเรียกว่าการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นได้ด้วยการมาปฏิบัติจิตตภาวนาและสนับสนุนด้วยศีลศีลสังวรสังวรอินทรีย์สังวรแล้วก็มามาจากการเลิกใช้เงินใช้ทองเลิกหาเงินหาทองจะได้มีเวลามาภาวนาได้อย่างเต็มที่เนี่ย นี่คือเรื่องของการเปิดตาในให้มีดวงตาเห็นธรรมที่เอามาฝากญาติโยมในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง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 อราโสยะาสพพิติโยวิวัชจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายิโนจตารโธรรมาวาทานติ าาต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวไม่มีหลังใหม่พอปิดใหม่แล้วก็ปิดเลยถ้าอยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามา วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยเจ็ดสิบสองยสองร้อยเก้าสิบห้าวิทยุออนไลน์เก้ารับฟังข้างบนนี้สี่สิบเก้าคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยี่สิบห้าครับอืมถ้ามีคำถามก็ถามได้เลย คำถามจากคุณนิยาในอนาคตจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้อีกกี่พระองค์หรือจะมีมาเรื่อยๆครับมีมาเรื่อยๆตามใดที่ยังมีกิเลสมันกิเลสยังไม่หมดจากใจของสัตว์โลกก็ต้องมีผู้ที่คิดค้นวิทีที่จะกําจัด ก, กิเลสไปเรื่อยๆคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามคําถามแรกฟังพระอาจารย์มาสองเดือนจึงเข้าใจว่าศาสนาพุทธ เป็นเรื่องเหตุผลไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นก็โทษเรื่องเวรกรรมยอมจำนวนชะตากรรมและบอกว่ากรรมกาหนดเช่นนี้โยมเข้าใจถูกต้องไหมครับ <S <S ก็ถูกอะกรรมก็มีส่วนแต่มันมันเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาในอดีตที่มันกาหนดให้เราเป็นอะไรอย่างในปัจจุบันแต่อนาคตของเราเราเปลี่ยนได้เรากาหนดได้ด้วยการกระทาของเรา เราอยากจะให้ขึ้นสูงกว่านี้ก็ได้อยากจะให้ลงต่ํากว่านี้ก็ได้คำถามที่สองทำอาชีพขายเครื่องรางของขลังเป็นการทำให้คนงมงายและเป็นกรรมกับคนที่ทำอาชีพนี้หรือไม่ครับมันก็ไม่เป็นกรรมละมันก็เหมือนกับขายของเล่นอะไรเท่านั้นเองมันไม่เกิดประโยชน์กับผู้ที่ไปซื้อไปเพราะว่าเป็นเหมือนกับถูกหลอก เราให้คิดว่ามีเครื่องรางของขังแล้วจะมีะความแก้วคาดปลอดภัยมีอะไรมันไม่มีหรอกมันก็เป็นวัตถุมันไม่ทำอะไรหรอกควรจะขายขายขายบุญขายอะไรดีกว่าให้เขาทำบุญดีกว่าบุญนี่หละจะคุ้มครองผู้ที่กระทำบุญแก้วคาดปลอดภัยจากอบาย อบายคือการไปเกิดในในอบายถ้าทำบุญไม่ทำบาปแล้วรับรองได้ว่าไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่แต่แกเจ็บตายเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะมีเครื่องรางของขังห้อยหรือไม่มีก็ตามต้องแก่เจ็บตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตามกรรมที่เคยทำมาในอดีตและปัจจุบัน กรรมที่เราทําอยู่ในปัจจุบันก็มีผลกระทบต่อความเป็นความตายของเราเอลองไปกินเหล้าดูเลยกินเหล้าแล้วลองไปขับรถ ด, ดูเลยนี่ก็เป็นกรรมเลยะเดี๋ยวก็ลดพิกความตายกันนะถ้าไม่กินเหล้าไม่ขับรถมันก็ไม่มีลดที่จะความไม่มีความตายที่เกิดจากการลดความตายนั้นการกระทําของเรานี่แหละเป็นตัวส่งให้เกิดผลกับเรา แต่เรื่องการที่ไปเกิดต่อนี่อยู่ที่บุญหรือที่บาปเราทำกันยันพยายามทำบุญให้มากอย่าทำบาปหรือทำให้น้อยแล้วเวลาตายไปจะได้ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายคำถามจากคุณจินคอบอาการสัญญาขันดับเป็นอย่างไรครับ ก็จำไม่ได้ไงคาว่าสัญญาขันดับก็คือลืมเอัลไซเมอร์เนี่ยสัญญาไม่ทำงานจำไม่ได้จำว่าเมื่อกี้ทำอะไรมาจำไม่ได้แล้วพูดอะไรเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วเรียกว่าสัญญาไม่เที่ยมอันนี้จัง คำ ถ, ถามจากคุณนิยาถ้าเราเผลอไปฆ่าสัตว์โดยที่เราไม่ได้มีเจตนาหรือตั้งใจที่จะฆ่ามันเลยเราจะเป็นบาปไหมครับถ้าไม่มีความตั้งใจไม่บาปเช่นขับรถไปหมาวิ่งตัดหน้ารถชนมันตายอย่างนี้เราไม่บาปนะเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขาเขาดันไม่มีสติวิ่งตัดหน้ารถเองคำ ถ, ถามจากคุณอง เวลาที่ผมนั่งสมาธิเหมือนหลับแต่รู้ตัวอยู่กับอาการแบบนี้อยู่ในฌานไหนครับก็ฌานหลับนั่นฌานใกล้ๆหลับนะั่นนะถ้าฌานจริงมันไม่รู้สึกเพิไม่รู้สึกหลับะมันจะตื่นเหมือนกับที่เรานั่งคุยกันอย่างนี้ถ้าเรารู้สึกหลับแต่ไม่หลับนี่แสดงว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ใช่ฌานนะ คำถามจากผู้ฝากถามนักปฏิบัติธรรมสามารถหัวเราะได้ไหมครับ่าทำไมไม่ได้ก็เห็นหลวงปู่หลวงตาท่านหัวเราะกันรือเปล่าท่านก็หัวเราะแต่ท่านไม่หัวเราะแบบบ้าแบบพวกเราหัวเรานะเน่ท่านก็หัวเราะด้วยเหตุด้วยผลมีเรื่องอะไรคุยตลกบ้างก็หัวเราะกันไปตามเรื่องตามราวนะก็หัวเราะได้ไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไร คำถามต่อไปจากคุณจิมปัจจุบันผมทําสมาธสมาธิหายใจเข้าออกพุทโธไปเรื่อยๆนิ่งอยู่อ ย, ะะ อ, อย่างนั้นและจะต้องไปอย่างไรต่อครับก็ให้มันพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบก่อนถ้ายังไม่เจอก็ต้องทําไปเรื่อยๆแสดงว่ายังไม่เจอถ้าเจอจะไม่ถามอย่างนี้ คำถามจากคุณภัยทูนสถานที่สงบวิเวกช่วยส่งเสริมความเพียรแต่ผมปฏิบัติภาวนาอยู่ที่บ้านไม่สงบวิเวกที่ใกล้ๆบ้านเปิดเพลงเปิดสปอตใส่หอกระจายข่าวเกือบทุกวันเลยครับผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับ เอาที่อุดหูสยอุด้นเข้าไปมันก็จะช่วยได้เวลาที่เรานั่งสมาธิเวลาที่เราไม่ต้องการที่จะได้ยินเสียงเราก็เอาไอห้หูไอ้หูฟังที่เราเสียบกระโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเสียบเข้าไปแต่อย่าไปเปิดเครื่องเท่านั้นเองอย่าให้มันมีเสียงเขาเครื่องมันก็จะช่วยตัดเสียงออกไปได้พอสมควรถ้ายังไม่พอก็อสำลีอุดหูเข้าไปยัดเข้าไปนึกๆเลย ไม่เสียงมันเข้าไปคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเมื่อประมาณเจ็ดปีก่อนนำเต่าที่เจอกลางถนนมาปล่อยลงสะใหญ่วันนี้เจ้าของสะถมดินซึ่งถ้าเต่าต้องตายเราจะเป็นบาปไหมครับเพราะไม่เคยคิดว่าเขาจะถมสะครับอ๋อไม่บาปเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของเวรของกรรม เนื่องถ้าถึงเวลาเขาจะตายเขาก็าต้องตายแต่ตอนนั้นเราช่วยให้เขาไม่ตายเนี่ยถือว่าเป็นบุญไม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใดไม่ใช่ช่วยรักษาคนวันนี้หายแล้วพรุ่งนี้ตายแล้วเราเป็นบาปเปล่ามันไม่เป็นมันคนละเรื่องกันคำถามจากคุณเจ้าป่าบทกรณียเมตตาสูตรคือบทแผ่เมตตาใช่ไหมครับ บทสอนให้แผ่เมตตาคำสอนบทสวนมนลทุกบทนี้มันเป็นคำสอนให้เราแผ่เมตตาให้เราใช้ในขณะที่เราเจอกันการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทาไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดคำถามต่อไปจากคุณบริบูนการแจกบุญขณะเราทำบุญถูกต้องไหมครับอ๋อบุญนี้แจกได้แต่เฉพาะให้คนตาย ถ้าคนเป็นนี้ต้องแจกเงินให้เขาไปทำบุญถ้าอยากจะให้เขาได้บุญก็ให้เงินเขาแล้วถ้าเขาเอาเงินที่เราแจกไปทำบุญเขาก็จะได้บุญแต่สาหรับคนตายนี่เราแจกเงินให้เขาไปทำบุญไม่ได้เราก็เลยต้องแจกบุญที่เราทำไปให้เขาแทนหมดแล้ะ น, นี่คือเรื่องของบุญบุญอุทิศฐินี่มันถึงม่าจะมีคุณประโยชน์กับผู้ตาย แต่มันก็เป็นเหมือนอาหารที่เราให้ขอทานให้กินไปวันละมื้อเท่านั้นเองเราจึงต้องคอยอุทิศอยู่เรื่อยๆยชาวบ้านเขานิยมทําบุญใส่บาตรทุกวันเพราะส่วนหนึ่งเขาคิดว่าเขาจะได้เอาบุญที่เขาได้จากการใส่บาตรนี้ส่งไปให้ปู่ย่าตายายเขาปู่ย่าตายายจะได้มีอาหารกินทุกวันเหมือนเขา แต่พวกเราบางทีทําเฉพาะวันที่เขาตายพอหลังจากตายไปแล้วก็ไม่ทําต่อไม่ส่งบุญไปเขาต่อเขาก็กินได้มือเดียวสองมือเท่านั้นเองช่วงที่จัดงานศพให้เขาเขาก็อิ่มมีผีมันมีบุญกันเยอะแยะส่งไปให้เขาแต่พอเลิกทํางานงานศพแล้วก็เลินไปเลยรอทําบุญห้าสิบวันทําบุญร้อยวันไอช่วงรอนั่นก็ ก็พร้อมกล็ลงเป็น เ, เป็นเหมือนขอทานไปต้องไปรอรับส่วนบุญของคนอื่นเขาเหตนั้นถ้าเราอยากจะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ตายจริงๆไม่ใช่อุทิศกันแค่ครั้งเดียวก็พอหรือททำเฉพาะวันสำคัญสำคัญเช่นวันเกิดวันตายอะไรเท่านั้นอันนี้ไม่เพียงพอเพราะบุญอุทิศนี้มันเป็นบุญส่วนน้อยเหมือนอาหารที่เราจัดไว้ตั้งหน้าสารพระภูมิอย่างนี้ ทำไมเราจัดอาหารให้สารพระภูมิได้ทุกวันทำไมเราส่งบุญให้ปู่ย่าตายายไม่ได้ทุกวันมันก็เหมือนกันอะทำบุญใส่บาตรไปทุกวันเสร็จแล้วก็กวดน้ำอุทิศบุญไปให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องญาติสนทิทมิตรสหายเขาก็จะได้มีมีที่มารับบุญถ้าถ้าคนไหนไม่มีบุญของตัวเอง คนที่มีบุญของตัวเองก็ไม่ต้องมารอรับบุญแเอาบุญที่เขามีไปใช้ได้เลยฉะนั้นบางคนก็มีบุญเยอะก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญคนที่ไม่มีบุญเท่านั้นอ่ะทถึงจะมารอรับส่วนบุญไปฉะั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญให้ผู้ร่วงรับไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประโยชน์ต้องทำทุกวันทำบุญเล็มากน้อยก็ทำไปแล้วก็อุทิศไป ใช่มารอปีหนึ่งวันเกิดทำมันสักครั้งหนึ่งอุทิศกันสักครั้งหนึ่งอย่างนี้แล้วทั้งปีเขาจะมีเอาอะไรกินเรากินข้าวได้ทุกวันแล้วเขาจะเอาอะไรกินถ้าเราอยากจะให้เขามีข้าวกินเหมือนเราเราก็ต้องทำบุญทุกวันทำแม้ทาน้อยก็ทำไปก็มีบุญส่งไปไม่มีพระมาบิณฑบาตก็เอาเงินใส่กระปุกไปก็ได้แล้วก็อุทิศไป แต่อย่าห้ามแตะเงินนั้นนะถือว่าไม่ใช่เงินของเราแล้วนะถ้าไปเอาเงินนั้นก็ถือว่าขโมยนะบาปนะอถ้าเพราะบุญนี้เราทําแล้วเราอุทิศบุญไปให้แล้วเนี่ยแล้วเราจะไปเอาเงินนี้มาใช้นี่ก็แสดงว่าขโมยเงินของวัดแล้วเพราะเงินนี้เรามีเจตนาจะยกให้วัดแล้ว mm hmm. ก็ถือว่าเป็นของวัดแล้วพอเราหยอดเข้าไปในกระปุกนี่เราก็ไม่แตะแล้วอันนี้ถือว่าเป็นของวัดไปแล้ว เราก็อุทิตได้ทันทีเลยมีอีกไหมยังไม่มีใครอยากจะถามเนี่ยส่งเข้ามาส่ง ไ, ไปแพรในพิธ ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเขาออกาะถามคำแนะนำเจ้าค่ะเวลาพี่นั่งสมาธิภาวนายมกำหนดลมหายใจแต่ว่าบางทีมันอยู่ๆมันไปรู้ยุคหน่อพองหน่อที่ท้องอะค่ะก็อย่าไปให้มันไปสแสดงเราไม่มีสติบังคับมัน กําหนดไว้ที่ไหนไงมันอยู่ที่นั้นที่เดียวเดี๋ยวมันก็หลอกแล้วเดี๋ยวไปที่เท้าเดี๋ยวกลับมาที่จมูกมันก็จะไม่สงบมันก็เปลี่ยนขยับร่างกาย เ, าเดี๋ยวก็เอไปทางซ้ายก็ขยับมาทางขวาขยับทางขวามากไปขยับมาทางซ้ายก็เลยไม่ต้องภาวนากันมาคอยขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้นมันอยู่จุดเดียวมันถึงจะนิ่งได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไม่อยู่จริงๆเราเปลี่ยนมาเป็นพุโทโธได้ไหมเจ้าค่ะอา ถ้าคุณเปลี่ยนได้คุณก็เอามันอยู่ได้คุณเอาพุโทโธก็เอาพุโทโธอย่างเดียวไปเลยเปลี่ยนบ่อยๆก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหมยย่นี่ถ้าไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็อย่าไปเปลี่ยนขออนุญาตอีกคําถามเจ้าค่ะอ อ, อาหารเย็นมันเป็นมื้อของครอบครัวค่ะพระอาจารย์ เ, เราจะเลียกยังไงถ้าเกิดว่า ที่ว่าเรายังทานอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ทานเนี่ยบางครั้งมือก็จะดูแปลกๆอย่างเงี้ยจ้าค่ะก็บอกเขาเสียว่าเราถือศีลแปดเท่านั้นเองอ่าใช่ไหมเวลาเราไม่สบายเราไม่ได้ไปเที่ยวเขาเขาว่าเราหรือเปล่าอะาเขาก็รู้ว่าเราไม่สบายเราก็ไปไม่ได้เวลาเขากินข้าวเย็นเราบอกเรากินไม่ได้เพราะเราถือศีลแปดก็เท่านั้นเองขเองขาบอกอธิบายเขาฟังว่าทําไมต้องถือศีลแปดเพราะมัน เวลานั่งสมาธิมันจะได้ไม่ง่วงมันจะได้สงบอธิบายได้ของพวกนี้ทําไมไม่พูดคุยกันนะแม่เป็นคิด<ะ>แม่เป็นคิดค่ะคิดก็คิดแต่คิดก็มพูดก็ด ก, ด ก, ด ก, ด ก, ดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคิดก็อยู่ของคิดไปเราก็พูดเราก็อยู่ของเราไปไม่จช่เป็นเป็นแม่ลูกกันแล้วจะต้องนับถือาศาสนาเดียวกันนะ กากินข้าวทาไมกินไม่เหมือนกันนะแม่กินก๋วยเตี๋ยวลูกกินข้าวผัดนั้นมันทําได้ใช่ไหมพูดกันไปสิสาธุเจ้าค่ะเขาไม่เชื่อเขาไม่พอใจก็ช่วยไม่ได้เราไม่บังคับเขาให้เรามาเป็นภูตทําไมครับเราต้องเขาต้องมาบังคับเราให้ไปเป็นคิดด้วยใช่ไหงใช้เหตุผลเลยนะครับ คําถามจะคุณจรรยาปฏิบัติธรรมที่บ้านกับปฏิบัติธรรมที่วัดได้ผลต่างกันไหมครับก็อยู่ที่เราเนี่ยบางคนบ้านสงบกว่าวัดึปฏิบัติที่บ้านอาจจะได้ผลดีกว่าไปปฏิบัติที่วัดก็ได้บางคนที่บ้านที่วัดสงบกว่าที่บ้านไปปฏิบัติที่ที่วัดได้ผลดีกว่าหรือบางทีมัน สงบทั้งสองที่ก็แล้วแต่ว่าที่ไหนดีกว่าก็เอาที่นั้นนะแต่ที่ต้องสงบถ้าไม่สงบแล้วจะได้ผลยากกว่าที่ที่สงบคำถามจากคุณจัญญานีถ้าพ่อแม่ไปเที่ยวเราเป็นลูกควรออกค่าใช้จ่ายให้ทุกครั้งใช่ไหมครับแล้วแต่เราไงเราอยากจะทำบุญก็ให้พ่อแม่เขาไปพ่อแม่เขาจะไปเอาไปเที่ยวเอาไปทำบุญเอาไปกินไปเดิมก็เรื่องของเขา เรามีหน้าที่ทําบุญทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ทําได้ก็ควรจะทำไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเขาตายไปแล้วจะมาเสียใจในภายหลังโอ้ยเราไม่ได้ทําอะไรให้กับพ่อกับแม่เลยเฮ้ยงนถ้ามีโอกาสทําได้ทําไปพ่อแม่เป็นพระของเราเป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆทําบุญกับพ่อกับแม่ก็เท่ากับได้ทําบุญกับพระอาหารหันต์ คำถามจากคุณนิยาดวงวิญญาณที่เร่ร่อนสามารถสร้างบุญได้อีกหรือไม่ครับยังไม่ได้นะถ้าเป็นดวงวิญญาณนะไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นอะไรไม่ใช่เป็นสถานะที่ไปสร้างบุญเป็นสถานะที่ไปรับผลบุญผลบาปจะสร้างบุญได้ก็ต้องมาเป็นมนุษย์นมนุษย์นี้เป็นเหมือนสถานีบริการเวลารถจะเติมน้ํามันนี่เวลาวิ่งเติมไม่ได้ใช่ไหม เวลาขับรถอยู่บนทางดว่วนอยากจะเติมน้ํามันเติมได้ปะต้องไปหาสถานีบริการจอดเข้าไปถึงจะเติมน้ํามันได้ออันนี้ก็เหมือนกันเวลาตายไปก็เหมือนกับดวงวิญญาณก็ขึ้นทางด่วนนะทางนั้นก็ไปรับผลบุญผลบาปที่ทําไว้พอไปเจอพอไปเจอปั๊มน้ํามันแล้วแ ว, แวะจวัดจอดนั่นนะถึงจะเป็นเวลาที่จะเติมน้ํามันได้ การจะมาเติมบุญเติมบาปนี่ก็ต้องมาเติมตอนที่มาเป็นมนุษย์เท่านั้นนอกนั้นั้เป็นภพที่เติมไม่ได้หมดแล้วนะหมดน้ก็หมดนะถ้าไม่มีใครถามห้ามถามต่อไปนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ